บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติตรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปจากคำถามที่อาชิตมานกกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าสี่หัวข้อแรกพรโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงดุดจอยู่ในที่มืด อ, อะไรเป็นสิ่งปรักดัน ศึดใสคนไปในอารมณ์ทั้งหลายอะไรเป็นเครื่องชาพนาสัตว์โลกเอาไว้และอะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกและกล่าวมาในวันก่อนถึงโลกเกือวิชาเป็นเครื่องปิดบังเอาไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดซึ่งเป็น <c oughs> ซึ่งเป็นการแสดงว่า บรรดากิเลส ท, ทั้งหลายที่ออกมาในรูปลักษณะต่างๆนั้นต้นตอจริงๆแล้วก็อยู่ที่อวิชาาวชาเดมใดที่อวิชชาเจือจางลงไปจากจิตใจของบุคคลกิเลสเราอื่นก็ชื่อว่าเจือจางตามลงไปด้วยและสิ่งที่เมื่อจิตใจของบุคคลประกอบด้วยอวิชชาเช่นนี้แล้ว <c oughs> ก็แสดงอาการออกมาในลักษณะต่างๆเป็นการเสือกสพยผลักดันบังคับให้คนต้องแล่นไปในอารมณ์ต่างๆเป็นนั้นมากแต่เฉพาะในที่นี้พระพภาคเจ้าทร ง, สงแสดงกิเลสสามประการด้วยกันคืออิจาความปรารถนาในอารมณ์ต่างๆ ซึงเกิดขึ้นจากการกำหนดหมายอารมณ์เหล่านั้นของบุคคลนั้นนั่นเองและการกำหนดหมายในลักษณะนี้ก็คือกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจสิ่งที่บุคคลกำหนดก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าอยายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสจักรพรรปัจจัยที่ให้เกิดกำหนดหมายนั้นก็คืออิจฉาความปรารถนา ซึ่งเป็นอาการของโลภะหรือราคะในลักษณะหนึ่งมีความพอใจติดใจชอบใจแนอารมณ์ทั้งหลายในที่สุดก็จะถูกอารมณ์เหล่านั้นผลักดันไปอาการผลักดันนั้นคสังเกตว่าเมื่อเรามองในเชิงของรูปร่างกายถ้าหากว่าใครก็ตามถูกผลักดันไม่แรงเกินไปก็ตั้งหลักได้ มาถึงก็หกล้มแต่ต้องหากว่ามีการผลักแรงเกินไปล้วก็เสียการทรงตัวถึงกับปกล้มหรือบางครั้งเป็นการผลักดันในลักษณะที่หนุมเนื่องกันมาถ้ามองเป็นรูปธรรมก็คือการที่เกิดจรลาจนบุ้นายแล้วก็เหยียบกันตายนั่นเองแต่เราเทียบเคียงในด้านของจิตใจก็จะเห็นได้เป็นสามระดับ ด้วยกันดับแรกเป็นการผลักดันธรรมดาธรรมดาซึงคนที่ถูกผลักดันก็ทรงตัวได้ควบคุมตัวเองให้เดินไปในทิศทางได้ทําให้กระทำพูดไ ป, ปแสดงดันของสิ่งเหล่านั้นแต่เพราะมีการทรงตัวธรรมะจึงควบคุมได้ความปรารถนาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็จะถูกควบคุมไว้ด้วยเหตุผลและความดี ไม่จนถึงกับไปปรารถนาอยากได้ในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิที่จะได้แต่ไม่โลภละโมกในสิ่งของของบุคคลอื่นแต่ความปรารถนานั้นยังมีอยู่เมื่อบุคคลต้องการปรารถนาอะไรก็ใช้ความเพียรพยายามประกอบกรรยากิจเพื่อการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรได้กิเลสนั้นยังมีอยู่ แต่คนคุมกิเลดได้ในประการที่สองนั้นบางครั้งบางคราวก็สวดเสียการส่รรงตัวจนถึงก็หล้มลงไปโดยแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมหรือการทางกายทางวาจาจะทำให้อุคคลมีความพรังพลาดพระแรงปรารถนาปรักดันของความปรารถนามากยิ่งขึ้นเดี่ยวการที่จะส่งตัวได้ก็มีอยู่ไม่ถึงกเสียหลัก มากเกินไปแต่ในชั้นหนึ่งนั้นจะพบว่าความปรารถนาที่รุนแรงซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นลักษณะของหน้ามืดไม่ได้มองเหตุผลไม่ได้เห็นความถูกความดีหรือความผิดแต่ถูกแรงดันของสิ่งเหล่านั้นบังคับให้เปลี่ยนไปการกระทาก็ดีพูดก็ดีจะมีความรุนแรง ขอเพียงแต่ตอบสนองความต้องการของตนได้จะไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้มาซึ่งสิ่งเดนั้นบางครั้งบางคราวอาจจะใช้พลังอำนาจเงื่อนไขตอดรอมจนพฤติกรรมบางอย่างที่มีการปลุกระด ม, มการเดินกระบวนมีการเรียกร้องเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการนี่จะเห็นได้ว่าเป็นอาการของอิจฉาคือความปรารถนาที่มีกําลังสูงขึ้น ก็ะลักดันเสือกสายบุคคลให้หมดสิ้นการทรงตัวจนถึงกบเหยียบการตายแข้งขาหักไปนั้นในเชิงที่เราเห็นได้ทางรูปธรรมเป็นพฤติกรรมการผลักสายเสือกสายของบุคคลเดียานี้มันก็ออกมาในรูปลักษณะต่างๆอย่างที่ทรงแสดงไว้ในมหาทุกข์ขันธสูตรคือกองทุกข์ขนาดใจแห่งโลกนั้นแต่ทรงชี้ไปที่อาการผลักดัน ของใจที่มีกําลังอ่อนกําลังปานกลางหรือกําลังรุนแรงหรือแรงจักของกิดเลสเหล่านั้นบางครั้งมางคราวรุนแรงออกไปจนถึงก็ต้องต่อสู้กันเพราะต่างคนต่างปรารถนาในสิ่งเดียวกันแต่ว่าสิ่งนั้นก็มีอยู่เพียงสิ่งเดียวเมื่อแรงปรารถนาจากสติปัญญาเหตุผลที่จะหาข้อยุติกั น, ก, นก็สูญเสียไปบุคคลก็ใช้กําลังอํานาจอิจิพน ข้าวห้ามพันกันมีการต่อสู้กันจนกลายเป็นสงครามล่างผล่านขึ้นในยุคในสมัยต่างๆสิ่งเหล่านั้นเป็นภาพจำลองชีวิตที่สะท้อนออกไปจากความรู้สึกปรารถนาที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นข้อนี้ถ้ามองในเชิงของรูปธรรมเอ็นตัวยอย่างเช่นเรื่องราวของราม เ, เกียรติ เป็นเรื่องของความปรารถนาในสิ่งเดียวกันแต่คนปรารถนาจะได้สิ่งนั้นมาถือกลองการต้องออกไปจากเมืองของพระรามนั้นพระทาทศรถปรารถนาจะให้สมบัติแก่พระรามนางกายเกษีต้องการจะให้พระพรตได้หแต่เมืองก็มีเมืองเดียวในที่สุดก็ต้องแตกหักกัน แต่ว่ากลาย ท, ที่กลายเป็นศึกใหญ่นั้ น, นางศสีดามีคนเดียวแต่พระรามก็ต้องการทศกัณฐ์ก็ต้องการนั่นคือความมืดบอดในด้านเหตุผลต่างๆ่างปฏิตตามมาจะนําพายาติวงพงษาทั้งสองฝ่ายล้มพายตายจากไปเพีย น, นั้นมากเพราะแต่เรามองภาพของโลกแล้วเป็นภาพที่จริงๆเป็นภาพอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าสิ่งนี้เองเป็นตัวผลักดันเสือกสายไล่สวงบุคคล โดยกิ้งทับบุคคลให้หมุนบนอยู่ในเรื่องแบบนั้นบางครั้งบางคราวก็กลายเป็นสงครามระดับประเทศต่อประเทศหรือสงครามระดับค่ายต่อค่ายเป็นเรื่องของความปรารถนาในรูปลักษณะต่างๆอาจจะปรารถนาอำนาจดินแดนหรือว่าความเป็นใหญ่ในชั้นนั้นๆแล้วก็ออกมาเป็นเชิงพฤติกรรมอย่างที่ปรากฏกันโลกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นที่จริงเป็นโลกเกือองพันกว่าปีไปแล้ว แต่ว่าโลกก็คือโลกโลกยังเป็นเหมือนเดิมพฤติกรรมของโลกจึงถูกแรงปรักดันเสิกระใสของความปรารถนาที่มีอยู่ภายในใจิตใจของสัตว์โลกนั่นเองก็ให้เกิดอาการขึ้นมาในรูปลักษณะต่างๆรุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างจากทรงนี้เองจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นโลกกวิทูคือรู้แจ้งโลกจรงิงความจริงของโลกเป็นยังไงเหตุปัจจัยเบื้องต้นเป็นยังไง เทรทงชี้ในเหตุเห่อนั้นไม่ได้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องความสนิทแต่เกิดความขวงความไม่ปรารถนาที่จะให้บุคคลอื่นได้บุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นมีส่วนในเรื่องเหล่านั้นกิเลสประเภทนี้เป็นอาการแสดงออกของสายโทสะคือความไม่ชอบท่าจะเห็นได้ว่าเป็นอาการที่ออกจบแปลก ความผูกพันเย่อะใหญ่ในสิ่งต่างๆนั้นเป็นอาการของโลภะแต่เวลาขวงสนิยยอมให้เอเื้อเฟือเก็บอบคลอื่นกลับเป็นอาการของโทสะความจะหนียังปรากฏออกมาในรูปลักษณะต่างๆที่ทรงจําแนกแสดงไว้ถึง5ประการด้วยกันคือสนิยวัตถุสิ่งของต่างๆที่เรียกว่าสนิยลาบสนิยที่อยู่อาศัย เจนีพวก้องสจนีสกุลจนถึงก็เจนีความดีที่เรียกว่าตามะมัจฉริยะคนนี้จะเพราะว่าความสจนีความหวงนั้นบุคคลจะรู้สึกเจนีรู้สึกตระหนี่หรือหวงไม่ต้องการในบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆเฉพาะในกรณีที่บุคคลกำหนดว่าคนนั้นเป็นพวกที่เราไม่ชอบ เป็นศัตรูเราไม่พอใจแต่ถ้าเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราแม้แต่ที่นั่งนิดเดียวก็แบ่งกันนั่งได้ขนมชิ้นเดียวก็หักครึ่งแบ่งกันได้หรือว่าในเรื่องอื่นๆก็ลักษณะชิ้นเดียวกันอาการเหล่านี้ก็ผลักดันเสือส่อมสบุคคลทั้งหลายให้มีการเบียดเบียนทำห่านประทุษร้ายกันเช่นเดียวกับอาการเสื่อมสยของความปรารถนาที่บังเกิดขึ้น อีระการหนึ่งก็คือเรื่องของความประมาทเป็นอาการขาดสติเป็นเครื่องเหนี่ยวรางยับยั้งชั่งใจให้บุคคลได้หยุดคิดพิจารณาถึงความเหมาะความควรในเรื่องอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตนบางครั้งเป็นความสมัติประมาทในมุมกว้างอย่างที่ทรงแสดงว่าประมาทในวัยในความไม่มีโรคในชีวิต ทำให้บุคคลมีความคิดเหนี่ยวนึกไปลักษณะที่คิดว่าตัวเองจะยั่งยืนเที่ยงแท้ถาว่นมั่นคงถึงกรณี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะต้องเชื่อมโยงสายของกิเลสให้ได้ว่าลักษณะความรู้สึกเหนี่ยวนึกเช่นนี้หรือปักใจฝังใจเช่นนี้นั้นตัวรากที่อย่างลึกจริงๆนั้นเป็นอวิชชาที่ปรากฏออกมาเป็นรูปคิดคือความเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอน พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมเพื่อกัดกร่อนความรู้สึกเหล่านี้ของบุคคลออกไปโดยสอนให้พิจารณาตามนัยยะนัยยะของอภินิหาปัจจุเวนคณะคือเรามีความแก่เป็นธรรมดาเป็นต้นนั่นเองแต่ก็จริงแล้วเพราะความประมาทแลความขาดสติเป็นเครื่องลึกรู้ดังกล่าวนั้นทําให้บุคคลมีความรู้สึกตํานองว่าชีวิตร่างกายของตนเองยังไม่เป็นไรจะอยู่ได้อีกนาน ใโรคภายแค่เจ็บจะไม่เกิดขึ้นแก่ตนเราเวลานี้ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีดยวยแรงแข็งแรงเป็นตน้นทำให้ปล่อยการเวลาของตนให้ผ่านพ้นไปในที่สุดก็ถูกแรงอีกสองแรงดังกล่าวของตนชักจูงลักพาไปสู่อำนาจของตนบางครั้งเป็นการปรารถนาในพฤติกรรมคือการกระทำของตนเอง อาจจะถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่มีความสําคัญอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่จําเป็นที่จะต้องกระทําความรู้สึกก็ไม่สําคัญอะไรนั้นในกรณีที่บุคคลประมาทปล่อยให้บาปบังเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจแต่ความรู้สึกที่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่จําเป็นจะต้องกระทํานั้นคือความประมาทในบุญที่บุคคลควรจะต้องทําทางกายทางวาจาทางใจเหมือนกัน ในที่สุดชีวิตของบุคคลก็ถูกค้อมล้อมถูกคุ้มพอ่อไปด้วยความรู้สึกรณนี้ปล่อยกายปล่อยใจปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปไม่ได้ประกอบกรณีกิจให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะแก่โอกาสที่มาถึงข้าวจนถึงกับความประมาทในอันที่ปล่อยให้มิจฉาทิฏฐิบางอย่างเป็นสนิมของใจตกค้างอยู่ภายในใจ ไม่เปียนพยายามที่จะขจัดออกไปเพื่อเกิดเป็นสมาธิิอย่างน้อยที่สุดในชั้นที่เป็นโลกยะสมาธิิมีปัญญาเห็นชอบในกฎของกรรมและได้ใช้ปัญญาพิ้งพินิจพิจารณาจนเข้าใจสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงขึ้นมาได้จากความประมาทในแต่ละจุดที่ทรงแสดงไว้นั่นเองเกิดมาในลนักษณะทางอารมณ์เพราะเมือ่อหยาประมาทได้ ในรายละเอียดต้องประมาทหนักขึ้นไปอีกทางการปฏิบัติระดับกรรมฐานนั้นเป็นเรื่องของความประมาทในขณะของอารมณ์ในแต่ละขณะและการปฏิบัติกรรมฐานนั้นใช้สติกำลัมปัญญาเป็นหลักอย่างที่ทราบแล้วการกำหนดอารมณ์ของบุคคลเป็นเครื่องก็คือโหมให้กิเลสเป็นนันมากบังเกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจนั้นเพราะอาศัยความไม่ระมัดระวังความคิด ได้แก่ปล่อยจิตของตนให้เป็นเหนียวนึกให้นไปกําหนดลักษณะทางอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นการเพิ่มเชื้อของกิเลสขึ้นในข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงสรุปไว้เพียงสี่ข้อเท่านั้นเอง <c oughs> โดยสอนให้บุคคลระมัดระวังใจของตนแม้กําหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดประการกําหนดอารมณ์ในลักษณะนี้เอง ถาหากว่าบุคคลมัวม ờ ประมาทคือกำหนดไปเรื่อยๆ ร, รูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน้าจะต้องความปรารถนาอยากได้ยึดครองถือครองในอารมณ์เหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นแต่ต้าหากว่าบุคคลไม่มีความมัวม ờ ประมาทก็สามารถที่จะหยุดความคิดไว้ในแต่ละจุดได้อยากที่ทรงแสดงสั่งสอนในชั้นของอินทรีย์สังวร หรสำรวมระวังอินทรีย์ไม่ดูสักบ้างไม้ฟังสักบ้างหรือไม่อย่างนั้นก็หยุดความคิดไว้เพียงเท่านั้นหรือสักแต่ว่ารูปสักแต่เสียงเป็นต้นหรือไม่อย่างนั้นก็นําสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาพินิจพิจารณาให้เห็นความจริงวิธีการทั้งหมดจึงเป็นอุบายเยวิธีเป็นวิธีที่ฉลาดของพระพุมีพระพักเจ้าที่ทรงวางเอาไว้โดยมีป้าหมายอย่างเดียวกันคือมุ่งที่จะกระจัด ความรู้สึกที่เป็นโลภะโทสะโมฆะอันไม่อยู่ภายในจิตใจของบุคคลให้เบาบางลงไปแด้ทรงสอนไม่ประมาทในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองพระ ต, ตาัว่าบุคคลปล่อยเรื่องเล็กน้อยให้เก็บทั้งค้างไว้ภายในใจเป็นตะกอนใจในสุดความรู้สึกกดดันเหล่านั้นจะมีกําลังรุนแรงมากยิ่งขึ้นจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนหุดหิดเป็นคนอ่อนไปต่ออารมณ์ต่างๆ กระทบรายนิดอะไรหน่อยก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาครอบงำใจเป็นปัญหาในการดารงชีวิตของบุคคลคนนั้นเองในชั้นต่อไปก็คือจะออกมาในรูปลักษณะที่ปล่อยกายปล่อยใจให้รุ่มหลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงก้อนี้พึงเข้าใจว่า อารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดก็ดีขัดเคืองก็ดีรุ่มหลงก็ดีเม่าเม่าก็ดีนั่นที่จริงอารมณ์ก็คืออารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแกเป็นข้องแกอย่างนั้นเองแกเป็นอย่างที่แก่เป็นจะเป็นยังไงแกก็เป็นก้แกอย่างนั้นแต่ว่าการที่วัตถุสิ่งของเหล่านั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลได้นั้นตัวการมาอยู่ที่ใจคนไม่ได้อยู่ที่ข้างนอก เพาใจคนมีกิเลสเป็นเหตุให้ปรุงบางครั้งก็ปรุงมาก่อนบางครั้งก็เป็นปรุงขึ้นใหม่ๆ ใ, ในขณะนั้ น, น, นอย่างที่ท่านเล่าถึงประเทศพ ม, ม่ามีภูเขาที่เป็นหินยกอยู่คนพมา่าไม่รู้ก็ระเบิดหินนั้นมาทำถนนกันต่อมาพอค้ายกเข้าไปในประเทศพมา่าเป็นหินยกเหล่านั้น ก็บอกเขาว่าเป็นโยกขอซื้อประชาชนชาวพม่า ก, ก็ขุดถนนมาขายไป้คราวนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดขึ้นทีหลังในคราวแรกก็ไม่กำหนดขึ้นสมยินดีอะไรจนถึงแก่รูอำนาจแก่ความอยากไปทําผิดกฎหมายขึ้นมาอย่างนั้นเพราะกำหนดมันเป็นหินหินก็มีค่าเพียงหินเท่านั้นเอง แต่ต่อมาหินคนนั้นนั่นเองบุคคลเกิดความรู้ขึ้นมาว่าเป็นหยกก็กําหนดใหม่ว่าเป็นหยกแต่การที่รู้คุณค่าประโยคเป็นราคาอย่างนั้นอย่างนั้นก็เกิดขึ้นจากการบอกกล่าวของบุคคลอื่นก็ยอมรับคุณค่าของบุคจากบุคคลเหล่านั้นทําให้รู้อํานาจเกิดความอยากคือความปรารถนาะความปรารถนาก็เปลี่ยนเมื่อก่อนความปรารถนาเพียงแต่เอาหินมาทำเท่านั้นแต่ต่อมาพอความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปความปรารถนาก็เปลี่ยน แต่เปลี่ยนแรงมีกำลังสูงจนถึงกระทงทุจริตไปทำลายถนโนหนทางซึ่งเป็นของรัฐเพราะมุง่งจะตอบสนองความต้องการของุนดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงจำแนกสแสดงพวกนี้ไว้เป็นสองฝ่ายฝ่ายข้างนอกทรงใช้คำว่าวัตถุกรามคือวัตถุอันเป็นเหตุให้บุคคลใข่ปรารถนาจิตดี หรือไม่ยินดีก็ได้หรืออาจจะรู้สึกกลางๆก็ได้แต่วัตถุมันเป็นของปันอย่างนั้นเป็นพวกอภิญาการธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆขึ้นอยู่กับใครจะไปกําหนดอย่างไรคนหนึ่งอาจจะกําหนดให้เกิดราคะก็ได้คนหนึ่งอาจจะกําหนดให้เกิดโทสะก็ได้คนหนึ่งอาจจะกํกะกนหนาจจกหนดให้เกิดเฉย ๆ, ๆก็ได้ขึ้นอยู่กับใจของบุคคลที่ไปกําหนดในแต่ละขณะมันตัวการสําคัญจึงอยู่ที่ตัวภายในที่ต้องใช้คำว่ากิเละสะกา กิเลสเป็นเหตุใคลาซึ่งกหมายความว่าตรงกันข้ามกับกิเลสเป็นเหตุให้คลาก็คือกิเลสเป็นเหตุให้ชังกิเลสเป็นเหตุให้ไม่ชอบได้กระสายกังโทุศักด์จิตใจของบุคคลจึงไปกําหนดอารมณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของตนในสีแนวคือหน้ากําหนัดรักใคร่เยินดีหรือน่าขัดเขืนหรือน้ารุ่มหลมหรือนั่าหมดเมา ม, มในที่สุดก็จะถูกแรงดังของกิเลสมันก็หมุนวน ซึ่งตอ น, นี้ในเชิงของการปฏิบัติก็ดีในเชิงของการพิจารณาระดับจินตามายปัญญาก็ดีนะบางคนจะเห็นความจริงว่าพระพุทธเจ้าเริ่มที่ต้นต่อของกิเลสเกลวิชานที่เป็นตัวปิดบังโลกเอาไว้โลกคือมูสัตว์เอาไว้อวิชานั้นก็แตกกิ่งออกไปเป็นสามกิ่งกิ่งแรกความปรารถนาก็คือกิเลสสายโลภ กิ่งที่สองสรงใช้คำเชื่อใหม่ประมัจจริยะก็คือกิ่งของโทสะ ก, กิ่งที่สามที่จริงก็คือกิ่งของโมหะได้แก่ความประมาทเพราะนั่นก็การเป็นการจำลองโลกให้เห็นอีกภาพหนึ่งอีกมุมหนึ่งทำไมจึงต้องแส ด, แดงเช่นนั้นนอกจากจะเป็นการสะท้อนความจริงตามธรรมดาของโลกก็เห็นแล้ว เป็นการให้สอดคล้องกับทธยาศัยพื้นเพของท่านอาชิตมโนบซึ่งเป็นเจ้าของปัญหาอีกด้วยจึงไม่ได้ใช้คำโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นแม่บทจริงๆแต่ไว้ไปใช้เพียงระดับของอิจฉาคือความปรารถนาในอารมณ์ต่างๆเพราะรอะไรเพราะการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์นในสมัยก่อนนั้น เป็นการมุ่งสนองตอบความต้องการของตนในเชิงรูปธรรมมากกว่าเชิงที่เป็นนามธรรมเช่นต้องการจะบังเกิดเป็นเทพเจ้า เ, เป็นมหาเทพผู้มีศักดิ์มีเทพธิดาเป็นบริวารแวดล้อมเป็นจำนวนพันพันหมืนม่นหมื่นหรือบางครั้งก็ต้องการสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไปอยู่ร่วมกับพระพรหมตลอดการเป็นนิจหรือเข้าถึงภาวะที่สงบเป็นในวสัญญาณสัญญาญตระหนักจนเป็นรูปฌานชั้นที่ส แต่ว่ามองจากการแต่สรูของพระพุทธเจ้าแล้วความปรารถนาทุกลำดับที่ปรากฏอยู่ในโลกยุคนั้นหรือแม้ในยุคต่อมาตันแล้วแต่เป็นแรงผลักดันของความปรารถนาที่หยาบบ้างกลางบ้างประณีตบ้างและในจุดนั้นๆในแต่ละจุดก็ขยายตัวเองขึ้นไปกันนั้นเองอะไรเพราะว่าเป็นความปรารถนาที่มีพบยังมีแรงดันของภวะตัญหาถึงแม้จะประนีตมันก็เป็นภาวะตัหา การทำเทศนาจึงยักยั้ยเปลี่ยนแปลงไปจึงบุคคลสามารถที่จะมาวิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการกําหนดอารมณ์ว่าที่เป็นเหตุให้ตนทำอย่างนั้นอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรก็จะพบว่าเกิดขึ้นจากความปรารถนาความปรารถนาที่หยากที่กลางหรือละเอียดอย่างกลางก็มีสินธรรมเจือมากอย่างละเอียดก็มีสินธรรมสูงขึ้น แต่ถ้ายังเป็นอิสาความปรารถนาก็ยังอยู่ในดับของโลกิยธรรมคืออยู่ในดับโลกนั่นเองตอนนั้นในชั้นของการปฏิบัติพระพุเทธเจ้าจึงมุ่งที่จะขัดเกล้าตามลักษณะของสันเหลกธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องขัดเกล้าไม่ใช่วันนิ่งนิ่งขาจัดความปรารถนาของบุคคลไปเลยแต่ว่าขัดเกลาวควบคุมทิศทางย้ายหยาบกระร่างอย่างเกินไป แม้ยังมีความปรารถนาอยู่ก็ให้เป็นความปรารถนาที่ถูกควบคุมด้วยวิชาความรู้ในระดับหนึ่งซึ่งสามารถจะคุ้มครองป้องกันบุคคลตนั้นให้ประสบความสวัสดีได้ในการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นมาก็ควบคุมความปรารถนาจึ่งวันจริงก็คือการมาฉันท์นิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วก็ผลักดันจิตใจของบุคคลให้สายไปในลมที่ตนไข่ปรารถนาพอใจที่เป็นอดีตบ้างปัจจุบนันบ้างอนาคตบ้าง อยียดบ้างละเอียดบ้างเร็วบ้างประณีตบ้างก็แล้วแต่จะกําหนดไปเอาเพื่อใจบุคคลทําจิตใจของตนให้สงบไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งไปตามอํานาจของความปรารถนาที่บังเกิดขึ้นในชั้นของความปรารถนาที่ประนีตขึ้นไปแน่นอนในชั้นหนึ่งก็เป็นความดีคือมองจากชั้นล่างก็เป็นความดีถ้าสิ่งเหล่านั้นสูงขึ้นไปแต่การมองของพระพุทธเจ้านั้นมองจากจุดสูงสุด จึงเป็นเรื่องไม่ดีทั้งหมดถือว่าถูกผลักสไล่ส่งหรือผลักดันให้บุคคลสายไปในรุกนั้นๆการปฏิบัติธรรมะในทางลัทธศาสนาจึงมีลักษณะเหมือนรถเหมือนแพข้ามฝากหรือเหมือนการขึ้นบันไดในชั้นหนึ่งก็ดีสำหรับบุคคลหนึ่งแต่เมื่อต้องการก้าวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไปตีตัวอีกขั้นหนึ่งนั้นไม่ได้ก็ต้องก้าวต่อไป แต่บนเส้นทางสายนี้ยังมีความรู้สึกเหล่านั้นอยู่ทำยังไงจึงจะได้เจอจังหวะบางลงไปโดยลําดับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีมากเท่าไหรโทษจะเกิดขึ้นแก่บุคคลมากเท่านั้นข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าถ้าแกมีมากแกอาจจะแสดงออกมาได้ทั้งทางกายทางวาจาแต่ถ้าแกมีน้อยหน่อยมันก็เกิดขึ้นอยู่เฉพาะภายในใจใครก็ไม่รู้ เป็นความขุดมัวเป็นความเศร้าหมองที่ตนจะต้องรับผิดชอบเองแต่ถ้าถึงกับความสงบประณีตความสงบเย็นก็จะบังเกิดขึ้นจิตก็จะหยุดดิ้นไม่ถูกผลักดันเสือส่อมสไม่ว่าจะอาศัยปัจจัยภายนอกที่มีความวิจิตประณีตรือรุนแรงน่าหวาดน่ากลัวอย่างไรก็ตามท่าเหล่านั้นจะไม่หวั่นไหวไปตามแรงดันของสิ่งดดนั้น เพราะอะไรเพราะไม่มีสิ่งสําหรับผลักดันอยู่ภายในใจข อ, ข, อของท่านเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นสภาพโลกเป็นอยู่เช่นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแต่เพียงสะท้อนให้ดูเท่านั้นเองซึ่งผู้มีปัญญาจะต้องพิจารณาตรวจสอบเอาเองมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นแลแต่เป็นโทษในชั้นหนึ่งเพียงแต่พยายามลดความรุนแรงลงไปความปร่งเบาความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นไปในจิตใจของบุคคลได้ ตามสงควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่ง ต, งตนต่อจนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป